ขอภานะวนาผู้สนับจิตานาของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีวิสิทธิมรรคเนี่ยท่า<ม>นบอกว่าพระธรรมพระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสันติโกใช่ไม สันติโกในที่นั้นก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยเพราะผู้มีปัญญาศึกษาพระปฏิจติธรรมก็เห็นได้โดยตนเองว่าเป็นความวิเศษสุดแห่งพระสัตธรรมวิเศษในที่นั้นเป็นความงดงามในเบื้องต้นใช่ท่ามกลางและที่สุดและถ้าหากบุคคลใดได้บรรลุโลกุตละธรรม9ก้าแล้วไม่ต้องถึงความเชื่อในผู้อื่น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 ได้ด้วยดีทําให้ชนะกิเลสโดยข่มไว้ด้วยเหตุที่ศึกษาและปฏิบัติต่อเนื่องสืไปแล้วก็ส่วนอริยมรคเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นน่ะชื่อว่าสันทิฏฐโกเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏฐิสันทิฏฐิในที่นั้นที่สัมบยุตกับมมรคเนี่ยเห็นไเนี่ยนั่นแหละคือองค์มรคที่สัมบยุตในองค์มรคแปดที่สัมบยุตที่ประกอบในมรคจิต อันนั้นเป็นสันทิฏโกอันนั้นเพราะชนะกิเลสเป็นเหตุในการที่สามารถที่จะลักกิเลสเป็นสมุทเฉทปะหานเพราะอะไรเพราะชนะกิเลสด้วยสันทิฏก็คือเป็นเหตุแห่งตนด้วยปฏิสัมเป็นเหตุแห่งปฏิสัทธิปะหานก็คือสามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์และอย่างหนึ่งก็คือว่า เป็นนิสรณประหารด้วยเป็นนิสรณประหารเพราะตัวมรคนี่นมรคจิตนั่นอีกความหมายหนึ่งตรงนั้นก็คือเป็นไปเพื่อลั ก, กิเลสและเพิ่มพูนธรรมะที่สะอาดโธทานะฉะนั้นในด้านของทานเนี่ยทานจริงๆนั้นท่านขับเน้นเจดนาทานขับเน้นตัวมหากุศลจิตตุบุบาททีนี้จิต มหากุศลจิจตุบาทที่เป็นทานนะนะที่เป็นทานนกุศลเนี่ยนะแล้วก็ไปแยกเป็นปุพพะเจตนาทานมุลจ่าเจตนาทา น, า น, าทานอปปะราระหรืออัปปะราเจตนาทานขับเน้นในเรื่องของเมื่อสักครู่พูดถึงในด้านของในสูตรที่ใช้คําว่าศรัทธาทานอย่างหนึ่งส ก, กัะจ่ทานนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็การลทานนั้นอย่างหนึ่งใช่ไหม อแรกขับเน้นศรัทธาฐานนั้นตัวนั้นมีสัทธายาศรัทธาเป็นสัทธายะปัฏฐานังก็เลยมีศรัทธาเป็นเหตุใกล้อันนั้นแหะคือท่านขับเน้นที่ศรัทธาฐานไปหยิบยกมาในสัพปริสถานมาในพระสูตรนั่นแหละเอาตัวตัวมุมนั้นมุมเดียวเป็นตัวตั้งเป็นปัฏฐานของทานท่านก็มาตั้งตามสัพปริสถานทานของสัตว์บุรุษ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 ตอนที่เขาทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาจะ แ, ดจะแสดงยม ก, กับปฏิหารใช่ไหมก็พากันไลลไปเวไนยชนได้ฟังธรรมในครั้งนั้นได้บรรลุสองร้อยล้านเนะีนะ่ณที่แดนยมกนะแล้วต่อมาก็เฝ้าคอยไม่กลับไม่กลับแล้วถ้าพระบรมศาสดาไม่ม า, าง้จนพระโมคคัลลานะต้องขึ้นไปยชมะวันจะออกภรษาถามว่า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 ประชาชนก็พากันเดินจากสาวถีที่ชุมนุมไม่กลับบ้านกัน่ปักบ้านหยุดแถวนั้นแหละคนที่ดูแลในครั้งนั้นก็คือมีจุลาอนาถาเป็นต้นเป็นผู้ดูแลจุลาอนาถาปินฑิกะเสดถีอ่ะไม่รู้เป็นลูกหรือเปล่าแต่เป็นผ้านาคาเป็นผ้านาคาแล้วสามารถแสดงยมม ก, กับปาฏิหาริย์ได้ด้วย แต่ือแสดงปฏิหารขอภัยไม่ใช่แสดงยงมกัตถิหารเธอเนี่ยท่านเนี่ยจะแสดงปฏิหารแทนพระพุทธเจา้าวันนั้นเนี่ยขอแสดงทุกคนอาสาหมดเราไปหน้าที่ตรงนั้นเราจะไปอ า, าสาแสดงอะไรดีอาสาอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นจะถามรดราเจรจาบอกว่าจะอ า, าสาแสดงคุณธรรมอะไรถาไวายเป็นพุทธบูชา คืออุบาสิกาก็ก็ไปขอแสดงแทนพระเจ้าอุบาสกจุลอนาถาปิณิกาอุบาสกก็จะไปสัตยขอแสดงใช่ไหมสมมาเนนก็ขอไปสมมเมนรีเป็นต้นอะไรเนี้ยภิกษุเป็นต้นแม้พระโมคคัลลานะก็จะแสดงแล้วก็บอกด้วยนะตัวเองเนี้ยที่จริงเนี้ยท่านเหล่านั้นที่มีที่มีวิชาสามปฏิสัมพิทาญาณสี่ใช่ไหม แล้วก็มีอภินญาหกเนี่ยที่ท่านเหล่านั้นที่มีทั้งหลายนั่นน่ยอริยทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ประชุมอยู่ในกระแสขันของท่านเหล่านั้นเน่ยอริยทรัพเหล่านั้นก็คือมรดกของพุระเจ้าเป็นธรรมะมรดกท่านมีทั้งโลกุตระมรดกและโลกิยามรดกที่พระศาสดาทรงมอบให้ท่านเป็นลูกของพระศาสดาท่านมีสิทธิ์รับมรดกเราก็เป็นลูกของพุระเจ้าทําไมเราไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพระศาสดา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 ทานเหล่าเนี้ยใช่ไหมเป็นผลนธาทานพระธานบา ร, รมีของพระทธเจ้าก็แปลว่าพกะเป็นเรามองไปก็คือเห็นสมบัติของพระบรมาาศาสดาเต็มไปหมดแต่อันนี้เป็นอามิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดพระาศาสดาบอกอย่าไปติดข้องแต่ถาคตทายแล้วแต่มรดกเหล่านี้แตถาคตมีไว้สําหรับพวกเธอจะได้มีชีวิตเป็นอยู่ได้และจะได้เจริญเข้าสู่ธรรมมรดก ทีนี้ในธรมมรมบระดกก็ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็มาแยกเป็นโลกยธรรมและโลกุตลธรรมโลกีธรรมก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกะทั้งหลายที่เป็นไปในวัตะส่วนศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมในอริยมรรทั้งหลายนั้นเป็นโลกุตระบรดกแล้วก็ในผล สม า, าบัตเหล่านั้นแหละนั่นเป็นโลกุตระมรดกใช่ไหตอนนี้เราก็พยายามจะขับเน้นให้เราได้ธรรมะมรดกของพระศาสดาใช่ไพอได้ธรรมะมรดกของพระศาสดาเราจะได้เอาไปถวายเป็นพุทธบูชา ว, วันนี้ไงเราก็อยู่ในฐานะเป็นลูกของพระผู้มีภาะเจ้าใช่ไหเรารักพระศาสดาเรารักพ่อเราก็ต้องมีมรดกของพ่อที่เราก็ต้องไปถึงก็ไป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 ที่ไม่นับถือทั้งหลายได้เห็นนี่ไงนี่ขนาดลูกยังมีมรดกมากมายขนาดนี้ไม่ต้องให้พ่อเอาสมบัติมามามามามามมาาโชว์ล็อกเราเราดูก็ตื่นตาตื่นใจดูไม่ไหวพอไปเห็นสมบัติของพ่อออกมาจริงจริงใช่ไหมแค่สมบัติของลูกแค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจขนาดเนี้ย พ, พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคําว่าแสดงยมกับปฏิหารพระศาสดาทุกองไม่ทรงลัคือต้องแสดงไม่ได้ เป็นหน้าที่ของพ่อแสดงแล้วอย่างเนี้นะพระบ ร, บรมศาสดาก็แสดงเองเลยพอแสดงเสร็จนั่นแหละก็แปลวันนั้นนะพระศาสดาแสด ง, สดสดงอิทธิปฏิหาริยะอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารไปพร้อมกันเลยสัตว์จึงได้บรรลุสองร้อยล้านไงพอแสดงปฏิหารสามนั้นเป็นการแสดงธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก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 น้อมสละเนี่ยเจตนาที่เป็นทา น, นอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาตรงนั้นนั่นแหละเป็นประทัดฐานของของฐานแนะกุศลเป็นเหตุใกล้ก็คือเชื่ออะไรเชื่อกรรมไงเชื่อกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมเชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทํานั่นแหะเมื่อมีความเชื่อกรรมและเชื่อผลของการการกระทําอย่างอย่างมั่นมั่นคงนี่ ก็เชื่อตรงไหนเชื่อตรงที่พระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าใครรู้ผลของทานอย่างที่ตถาคตรู้ใช่ไหมที่จักไม่ให้ทานแล้วก่อนบริโภคนนเป็นไม่มีคำคำนี้กระทบถึงศีลด้ยไหมกระทบถึงศีลด้วยเนคขมะด้วยปัญญาด้วยวิริยะขันติสัจจะอธิฐาน้เมตตาและอุเบกขาด้วยนะเวลาเราฟังพระธรรมเนี่ย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 การให้ทานเนี่ยการการการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของศรัทธาทานตรงนี้ก็คือเชื่อมั่นแล้วการบริจาค ก, การเชื่อมั่นคือเรื่องใสายกรรมและผลของการกระทําเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ทั้งบอกว่าพรั่งพร้อมไปได้วยการมมคุณนะผลนั้นเนี่ยอันนั้นเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการให้เนี่ยด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยถ้าในชั้นของคําสอนถ้าเราดูในในคําสอนเนี่ย ที่ท่านใช้คําว่าอย่างนี้นะเห็นไหมให้แก่สัตย์เดรัจฉานใช่ไหมศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยอย่างพระเนี่ยนะเวลาท่านกินฉันอาหารเบ็ดเสร็จยืนจะเหลือในบาตร ท, ทาไมเหลือท่านคิดถึงสัตยเดรัจฉานใช่ไหมถึงแม้เหลือมันก็ยังสามารถให้กับสัตยเดรัจฉานได้ในพระวินัยก็บอกว่าเอออย่าไปใช่ไหม เราจะไปเทได้าที่ไหนอย่างไรท่านคนอนเอาไปเลี้ยงสัตว์เดรฉ า, านอีกทีหนึ่งเพราะท่านเข้าใจไงเข้าใจว่าให้กษัตริย์เดรฉานได้เกี่อตราภาพร้อยร้อยคูณเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมว่าร้อยเท่าสัตะคูนาเนี่ยสัตากี่ร้อยเนาะมีอันิี่สองร้อยเท่าพึงหวังก็คือว่าพึงปรารถนาบอกว่าทักษศนานี้ย่อมให้อันที่สองห้าร้อยเท่า จากร้อยอัตภาพนี้จะได้ห้าร้อยเท่าอายุร้อยเท่าวันณะก็ร้อยเท่าความสุกก็ร้อยเท่าภาระก็ร้อยเท่าปฏิาพาน์คือปัญญาก็ร้อยเท่าคือทักษินาให้อายุในร้อยอัตภาพคือชาตินั่นเองอัตภาพในเรียนก็คือร้อยชาติชื่อว่าอายุร้อยเท่าให้วันณะร้อยอัตภาพชื่อว่าวันณะร้อยเท่าให้สุกร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าสุกร้อยเท่าให้ภาระ ร้อยอัตภาพก็ชื่อว่าพระนิร้อยเท่าให้ปฏิภาณาร้อยคือทําให้ไม่สะดุ้งในร้อยอัตภาพชื่อว่าปฏิภาณาร้อยเท่าร้อยอัตภาพก็คือร้อยพบอันนี้คือเข้าใจอ น, นิสงย์ถ้าปุถุชนมีทุศีลเท่าไหร่นะพันใช่ไหมพันก็คูณห้าไปถ้าหากว่า มีศีนแสนแสนก็คูณห้าเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลที่ได้สมาบัตนอกศาสนาแสนโกดก็คูณห้าอีกโอ้โหเยอะแล้วเกินเนี่ยเนเอาบุคคลนี้ตั้งในสารณาคมเป็นต้นไปแต่เนี้ย <c oughs> เริ่มตั้งแต่ตั้งสารณาคมก็คือว่าแม้อุบาศกผู้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 ทานที่ถวายแกสมมาเนนที่บวชในวันนั้นมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแกภิกษุที่อุปสมบทแล้วมีทมีผลมากกว่านั้นทานที่ถวายแกภิกษุผู้อุปสมบทแล้วผู้ถึงพร้อมได้วัดก็มีผลมากกว่านั้นทานที่ให้แก่บุคคลที่ปารลวิปัสสนามีผลมากกว่านั้นแต่สําหรับส่วนผลชั้นสูงผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผล mm hmm. ชื่อว่าปฏิบัติเป็นคนแรกในจํานวนผู้มีมรรคขสมังคนีนั่นก็ว่าไปตามดับก็ ต, ตรงนี้ก็คือว่า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 เ, เราเห็นการว่าผลเอยเลยเอ อ, เ อ, อกรณีอย่างนี้เป็นการละนะมันเหมาะแค่การแล้ะหรือว่าที่เขาชอบโฆษณากันเรื่องกรถิ่นเป็นการละทานนะีนะ่ที่จริงเออนะั่นะก็คือกรณีอย่างนี้เพราะผลนั่นจะเป็นยังไงผลนั่นจะให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในอายุวันนาสุขาพละเนี่ยปฏิพานเนี่ยตั้งแต่ปฐมวัยมะถิมวัยและปัจฉิมวัย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 แป๊บก็เสร็จแป๊บก็เสร็จเนี่ยบุญก็บุญท่านดีแบบนี้ใช่ไหมของเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลองดำหลีอย่างดีดำหลีเท่แย่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยถ้า菩าสดานะไม่ต้องพูดถึงอนุขหิตาทานก็คือบริจาคทานโดยความสละก็คือไม่ยึดติดเมื่อกี้มีใครที่บอกว่าให้แล้วใจมันเสียอันนี้มันขาดข้อนี้ ือให้ไปแล้วใจมันเสียพอไปเห็นครบนี่เองปล่อยหมาปล่อยแมวขึ้นไปหมดแล้วหมดแล้วที่กูสร้างไว้ <c oughs> ไม่มันมันยึดติด ม, มันยังหวงไม่สลัดความตันหนีไอ้ความยึดติดอยู่ไม่สลัดตันหาไม่สลัดมาหน้าทิชชีออกมา ต, ตรงนี้ก็คือว่าผลเป็นยังไงพังพร้อมด้วยการมาคุณไหมพังพร้อม แต่แต่จะกลายเป็นคนเฝ้าซั์พอได้ผลออกมาแล้วก็ออกจากทรั์ไม่ได้กลายเป็นปู่โสมเฝ้ารับไม่คาไม่คำว่าเฝ้าในที่นี้เป็นมนุษย์ก็เฝ้าแล้วเนี่ยอ๋ อ, อหวัหวหัวอย่างนั้นไม่ค่อยกล้าใช้เอามาดูจนเสียแล้วถึงค่อยๆเอาออกมาใช้อะกลเป็นไงตอนเนี้ยคน เคยเป็นไ้มล่ะพับไว้ซะจนแทบเอ๊ะแล้วพวกเอาเก็บเพชรไว้นานๆล่ะไม่ใช่นะเอองั้นก็ไม่ใช่ก็แล้วกันที่จริงมันเป็นวัตถุกลามหรือวัตถุทานไปกระทองบอ ก, อบอกใช่ไหมไปบอกปลาลบไงถึงจะไม่เป็นวัตถุทานดีจักเอาถวายพระพุทธเจ้าโ <laughs> น่นแฟนไม่บนยอดจะดีสูงๆเนื้ ให้คนมองทั่วแผ่นดินสักทีแล้วข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่ถวายหรียม<น>เอาช่วยคิดหน่อยที่ยราจะทำยังไงดีคือมอคือจริงๆในหลักในหลักถ้าเขาถวายเนี่ยเขาต้องต้องถวายจริงใช่ไหมทางกายกรรมใช่ไหมทางวาจีกรรมก็ต้องพูดเพลงออกมาใช่ไหมอันนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าสมบัติ ที่เป็นของของเราเนี่ยที่เรายึดติดกันเนี่ยนะเพราะเหตุที่เรายังยังเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันในกรณีวัตถุกาไม่สังเกดตดูนะว่าถ้าเป็นพระโสดาบันท่านจะละไอตัวมัชริยะได้ใช่ไหมเออมัชริยะนี่ไปเกิดอยู่ในโทสะเนี่ยใช่ไหมทั้งๆ ท, ท, ที่ตัณหายังไม่หมดนะแต่มัชริยะในโทสะ ถูกลาดด้วยสมุเชเยท้าไหมโสดาปริมาคเนี่ยเป็นไม่เป็นเป็นได้ยังจริงถามว่าพระโสดาบันเนี่ยห่วงไหมอิสาและมาชริยาเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทะเลาะทะเลาะวิวาส ฉะนั้นตัวมัชชริยาในโทสานั้นประหารโดยโสดาปิมาร์กลองไปดูสิใช่ไหมประหารไหมรู้สึกจะอยู่ในมาติกาหรืออยู่ในอะไรไม่แน่ใจเนะี่ยต้องไปดูตรวจสอบในมาติกาอีกทีอามาก็ไม่ได้ตรวจสอบมานานแต่จำไม่ผิดนะฮน ะ, ะเออไปดูในหมวดของทัศนีหน้าปัญหาตับพัฒติกาเนะี่ยไปดูในหมวดนั้ น, น, น ทำที่โสดาปภิรมักพึงละพึงประหารน่าจะมีอิสามาัเชริยะอีกในนั้นด้วยน่าจะมีตัวมัเชริยะถูกละเพราะอามาไปเทียบเคียงไหนไหนในสักกะปัญหาสูตรที่พระที่พระที่เท้าสักกะเท้าเธอไปถามพระศาสด า, าว่าอะไรหนอเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การทําให้ขัดแย้งทะเลาะกันเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ปราถนาดีพระาศาสด า, าก็ตั้งธงทีแรกเลยว่าอิสาและมัเชริยะ แล้วเท้าเธอฟังนี่ปัญหาส4สีข้อนี่แหละแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก, ก็อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีแต่ไม่แน่ใจนะตรงนี้อาจจะไม่นะถ้าใครมีมาติกาไปดูได้นะดูได้นะดูในมาติกาในหมวดทัศในน่ะปัญหาตาพัดรำลองไปตรวจสอบดูไม่แน่ใจหรือ นั้นตรงนี้ก็คือว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาที่สัมปยุตกับมหากุศลซึ่งเป็นเหตุแห่งการให้ทานส่วนวัตถุทานก็จะแก่ปัจใจสี่ที่เป็นไตรยธรรมใช่ไหมอโลภาทานได้แก่อโลพะเจตสิกที่ประกอบกั บ, กบเจตนาที่เป็นไปเหตุแห่งการให้ทานเหมือนกันที่เป็นไปกับกุศลจิตุบบาท อันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกุศลหมดเลยนะเนี่ยนะพูดถึงกุศลหมดเลย <c oughs> ส่วนเวรติทานก็คือเวรติสามที่สา ม, มารถงดเว้นจากอากุศลทุจริตอันเป็นเหตุใหสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องหวั่นใจในการที่จะมีภัยบังเกิดขึ้นอันนี้เป็นอภัยาทานทั้งที่เป็นภายในและภายนอกด้วยเห <c oughs> ็ไหมนึกถึงตนเองและภายนอกด้วย ถ้าในชั้นของคําสอนเขาก็เลยมาคําว่าเจตสิกที่ประกอบกับมหากุศลชื่วทานวัตถุสิ่งของก็ชื่วทานอโลพะเจติกที่ประกอบกับเจตนาเป็นเหตุแห่งการให้ก็ชื่วทานและถ้าในกระถาวัตถุการกล่าวคําให้อภัยกันการให้อภัยก็ชื่ววิรติทานตรงนี้ส่วน พรริยาสาวกเว้นข้าจากปณติบาตเป็นต้นให้อาภายัยแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็มาในคําสอนที่ได้ยกได้ยกมานะที่กล่าวไว้ที่บอกว่าหาหาประมาณไม่ได้นะที่มาจะาคำว่างดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นคือในทัศนปะป h a r m ภาติการ เนี่ยมาไม่ได้ดูนานจะดูแบบประมวลว่าเคยสอนมาเนี่ยน่าจะประมาณสิบห้าปีแล้วมันจะพอค้างๆใจอยู่แต่ว่าพอดูในสา ก, กาปัหาสูตรมันเลยชัดตรงนั้นใช่พอตรงนั้นไปดูในนั้นอะไรจะมีชัดเจนเพราะสังเกตยังไงสังเกตในชั้นของคำสอนเนี่ยว่าคนที่เป็นปันโซดาบันเนี่ยพระห้ามขออะไรท่าน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 มีใครแมว่าแค่ไปนั่งเฝ้าซัพย์วันๆเนี่ยเฝ้าทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นของตนเองแต่ไม่กล้าใช้เนี่ยเขาเรียกเฝ้าซัพย์ไม่ได้มีมากนะยไม่เรียกว่ามีมากเท่าไหร่นะมีซัพย์พอสมควรแต่ก็เฝ้าแต่การใช้นี่ที่จริงพอพูดในเรื่องตรงเนี้พอพูดเรื่องทานนี่นะถ้าต้องการอยากได้เห็นภาพเนี่ยจะต้องเอาแต่ละเรื่องมาเชื่อมกันแต่ละเรื่องเลยนะยกตัวอย่างเช่นนะ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 เขาวิ่งดูทางทางที่น้ําไหลเข้ามาแล้วน้ําที่ไหลออกเนี่ยมันสมดุลกันอยู่อย่างนี้ถือว่าเขาโอเคเนี่ยชีวิตก็ใช่ไหมไอตัวตัวพวกขยะไอตัวที่ทําลายขยะมันมีอยู่แต่ปริมาณขยะเข้ามาก็มีอยู่ใช่ไหมอาจขยะอาจจะค้างไว้หน่อย แต่การทํางานของเครื่องที่เผาขยะมันมีอยู่ทั้งนี้กโอเคแต่ถ้ามันไม่ละมันไม่ออกเล ย, ย, น ย, เ, ลยเนี่ยยุ่งอะไรเนี่ยกหมายก็ไม่ได้กําจัดขยะออกเลยเนี่ยนะออกเลยแล้วก็ตัวขยะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ชักมีปัญหาเลยเนะยปริมาณที่ไหลเข้าทีเนะี่ยถ้ามองอย่างนี้มันก็เอมามองดูอย่างนี้ก็เห็นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในนั้นมันไม่มีขยะอยู่เลยเนี่โอ้โหมีความสุข น, นี่เขาเราียกไม่มีนี่แต่ท่านบอกว่า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 เราเอาเสี้ยวของเสี้ยวที่สิบหกครั้งที่สองเขาบอกความสุขสามประการนั้นเนี่ยเทียบไม่ได้กับความสุขครั้งที่สิบหกเสี้ยวที่สิบหกที่แยกออกมาเป็นครั้งที่สอบางแห่งบางคัมภีร์ใช้การแยกสองครั้งบางคัมภีร์ก็บอกว่าเสี้ยวของเสี้ยวที่สิบหกไม่แยกเลยอันนี้ก็เออเมื่อเป็นการเทียบเพื่อเห็นว่าการประพฤติที่ไร้โทษสิมีความสุขมากกว่าใช่ไหม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 สามารถที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมภายในออกมาได้เยอะไหมกุศลเนี่ยเม็ดของกุศลปริมาณของกุศลหน่วยของกุศลชาวน้าที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยมันจะไหลได้มากไหมมันจะไหลได้มากหรือไม่มากอ่ะมันไม่ใช่ว่าน่มันต้องมีองค์ประกอบเป็งการไข้ ค, ควรนะปารบอะไรถวายเป็นสงเป็นประทานเออปารบอะไรดีปารบสีปารบเสียงปารบกลิ่นปารบรส ก็เหมือนได้ผ้าผืนนี้ท่านยกตัวอย่างเลยนะในอัตสาหรณีสมมุติว่าผ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีทองท่านกรปารลบเลยบอกผ้านี้สีทองเปล่งปลั่งงดงามอย่างเงี้ยนะพระวรากายของพระบรมศาสดาก็เปล่งปลั่งด้วยฉับพลันรังสีข้าพเจ้าจะนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช่ไหมไปห่มพระวรากายของพระบรมศาสดาเป็นต้นอะไรเนี้ยไปประดิษฐานไว้หน้าที่พระเจดีย์ที่ต้นพระสีมหาโพธิ์เป็นต้นเนี้ยกรณีปารพเนี้ยอันนี้เจตนาที่ปารพบสีเป็นฐานทีนี้เสียงของผ้าก็มีใช่ไหมเสียงกลิน่นรสรสที่ปารพอะไรดีรสของพระธรรมเป็นต้นก็ได้ โหดถะพระเย็นร้อนแล้วก็ทำมารมที่เกี่ยวกับผ้าที่มีอาโปธาตเป็นต้นเหล่านี้ที่ยึดโยงใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นกรณีอย่างนี้ยที่ยึดโยงทําให้ผ้าเป็นผืนงดงามเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เป็นต้นเหล่าเนี้ยในการที่จะถวายทีนี้ในขณะที่เดินไปเน่กายกรรมที่เป็นทานใช่ไหมวาจาที่กล่าวเชิญชวนให้เป็นน้อมอนุโมทนาด้วยการนิเวศวิจักรรมที่เป็นน้อมเป็นทานในกุศล น, นะ ไม่ทํากายกรรมวจีกรรมไม่เคลื่อนไหวใจก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปอยู่อันนี้เขาเรียกมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเนี่ยล้วก็ไข้ควรอย่างเนี้ยกายกรรมก็เป็นทานกุศลวิจีกรรมและมโนกรรมก็เป็นทานกุศลอย่างนี้การไข่ควรอย่างนี้ที่เคยกล่าวบ่อยๆใช่ไหมอย่างนี้ก็แล้วก็ปรารถนถึงนี้และในขณะที่นั่นไปเบีดเสร็จก็ดูว่าอะโลภทานเนี่ยน้อมถวายเบีดเสร็จก็นั่นเลย พอถวายเสร็จเดินยังไม่ทันหันหลังเลยพวกดึงผ้าไปเลยใจ mm hmm. เสียเลยวะโ mm hmm. ต้ตายชุดก่อนไปที่โน่นนี่โคธาราม mm hmm. พอไปเอามาก็เอาเอาเอ า, เอ า, เอาถาดเอาไปบูชากําลังสวดมนต์อยู่เลย mm hmm. เด็กวิ่งมาจากไหนควา้วาถาคว้าคว้าถาดทองไอทองมันนึกว่าเป็นทองจริงมันวิ่งไปมนเลยคนบางคนใจเสียคนเลย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 การให้ทานอย่าให้ตรงนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าใครเสียทานข้อ น, นี้เนี่ยนะโอ้โหผลที่ตามมาเนี่ยที่เราบอกว่าถ้าผลทานชนิดนี้เกิดขึ้นในภพต่อๆไปมั่งข้างมีทรัพย์มากแล้วก็พังพร้อมในกามคุณไม่ใช่แล้วก็ปุ๊บทีนี้จะปลอดภัยจากอุกอัคคีภยัยอุทกาภายัยราชภายัจาภายจรภัยวาดะภัยเนี่ยแล้วก็จรภายัยลูกหลานญาติมิตร ที่แวดล้อมก็ไม่ก็ทายาททายาก็ดีได้ทายาทดีแต่ถ้ามีการยกตนขม่มกระทบตนและผู้อื่นขึ้นมาเนตอนนี้ตรงเนี้ยมันมีการกระทบซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งกันใช่ไหมโดยราคาโทสะโมหะก็ว่าเาออป็นเพราะผลมันตามมานะีมันได้เหมือนกัน แต่มันได้ได้ของมาแล้วมันมักจะเจอพวกเนี้ยเจอพวกเนี้ยไปแล้วมันไปหมดเอาง่ายๆเลยนะต้องระวังอย่างเี้อย่าให้มันเกิดใช่ทั้งภยัภยโอทกภัยราชภายัยเป็นต้นอัคคีภยัยนั่นแหละวาระภยัยนั่นแหละมาก็เคยเจอเนะเจอลมพายุเนี่ยเป็นการวานเนี่ยเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยโอ แค่แปลกมากเนีน่ยนะเอออลมเนี่ยมันมาแปลกแปลกนะมันวิ่งตรงบ้านเราเนีน้ยเออมันวิ่งมาตรงนั้นแหละเออของค น, คนอื่นมันไม่ตรงเนีน่ยนะมันมาตรงของเราเนี่ยแต่มันก็ตรงหลายคนแต่บุคคลนอื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็พ่ไม่ตรงของเรานี่ไปหมดเลยเนี่ยเหลือแต่เสาเนี่ย น, นะเออเนี่ยมันหอบไปหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนก็หาเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้หาได้แล้ว แต่ก่อนโอ้สงสัยเราไปตั้งอยู่ตรงทิศทางลมเขาว่านี่มันมันมาเจอภัยแบบเนี้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมตั้งตรงนี้ยลมมันจะมาพัดมันมีสั ญ, ญาลักษณ์บอกไว้ไหมมันก็ไม่มีนี่มันมาเจอภัยบางคนก็เจอลภัยบง <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> บ้านบางๆๆบ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้านอยู่นั่นแหละไอ้ข้างๆางกันก็ปลอดภัยปลอดภัยเคยเคยเจอแบบนี้ไหมลองเปิดประตูมาดูเปิดทิ้งไว้ลราลองดู ทดลองบนข้อนี้เนาะอ๋ออ๋ออย่างงี้ก็ไปที่จริงประโยคาวิบัติเนยเาเรียกไปโยเขาเรียกระโยคาวิบัติเขาไม่ทํากันอย่างนั้นหร <c oughs> อกนี่เรียกประมาทแล้วก็อนุ ป, ปัหัาจาานนี่ไม่กระทบตนและผู้อื่นนี่ถูกต้อง ในข้อสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องวัดก็คือศรัทธาทานให้ไปแล้วก็คือว่าลูกหลานญาติมิตรเนี่ยเป็นต้นเกี่ยวข้องกันด้วยว่าตรงนี้ก็ล้างพร้อมไปได้วยกรรมมาคุณแล้วก็ผิวพรรณก็หน้าเรื่มใสเป็นต้นหะไรเนี้ยนะแล้วก็เชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มั่งข้างด้วย แต่ถ้าหากว่าเป็นการให้ทานที่สะอาดหมดจดเนี่ยนะบริสุทธิ์ทั้งของทายาธรรมและก็ความเป็นตุกคนที่มีความที่ทําตนและทายาธรรมเป็นต้นให้สะอาดหมดจดเหล่านี้ยนะตนในที่นี้ท่านขับเน้นที่กรณีที่เจตนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะที่เป็นไปกับกุศลเป็นต้นทายาธรรมเป็นต้นก็ได้มาโดยความหมดจดได้มาด้วยนะั่นแหละใส่แวงหาโดยทําได้มาโดยทําเป็นต้นเหล่านี้ย ตรงนี้ลูกหลานญาติมิตรก็เชื่อฟังถ้อยคำการทานก็ให้ผลตั้งแต่ปฐมวัยอนุขหาตัดทิฐานก็คือว่าอยู่อย่างผ้าสุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป้าซับข้อสุดท้ายก็คือพ้นจากภัยทั้งหลายตรงนี้ถึงบอกว่าถ้ามองตรงนี้ท่านก็ขับเน้นถ้าเราดูอย่างนี้นะีดูในชั้นของคำสอนถ้าดูในปฏิในทีขณิกายเนี่ยตรงนี้ จะเห็นว่ า, านในอัฏ ฐ, ฐานปุปฏิสูตรเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมนา ห, หรือพรามเขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทน ให้แล้วเขาเห็นพวกคตยามหาศาลพราหมนามหาศาลขหารหบดีมหาศาลที่เ อ, อื้อิ่มพร้อมพร้อมในกามคุณอยู่ไหมที่น่าปรารถนาหน้าพอใจเขาก็คิดว่าโอนน้อเนี่ยหลังตายแล้วเราบึงเกิดร่วมกับพวกคตยามหาศาลสัมณพราหมนามหาศาลขราบดีมหาศาลเขาก็ตั้งจิตเริ่มตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นก็เจริญจิตนั้นอยู่เข้าใจไหมตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตเพื่อต้องการเป็นอย่างนั้น เพื่อต้องการเป็น ก, กษัตริย์บ้างเป็นสมณะพราหมณ์ที่เป็นคนมีความรู้ทางด้านชงคำพีทั้งหลายเ่าเนี่ยนะแล้วก็เป็นข้าบดีมีปรารถนาลาิตของเขาก็น้อมไปในทางต่าเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแหลเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีล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 โดยตรงจริงๆก็คือตัวกุศลและจิตจริงๆการให้ทานจริงๆเนี่ยตรงนี้ยต่อนแรเป้าหมายจริงคือตัวเนี้ยเห็นไหมมหากุศลเนี่ยเนี่ยมหากุศลจิตเนี่ยจะทํายังไงให้แปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นให้มากเขาจึงเรียกว่าทานนะเจตนาทานนะเจตนาหรือเจตนาทานทํายังไงจะให้เกิดเนี่ยให้มาก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 เราจะผลิตยังไงให้บุญเกิดได้มากมันถึงไม่เท่ากันเออเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขับเน้นที่ตัววัตถุแต่มันก็ต้องมีวัตถุไหมต้องมี อ, ม เ, อ, อเขาถึงมีคํา ว, ว่าวัตถุทานคือปัจจัยสี่ตรงนี้ท่านถึงใช้คํา ว, ว่าให้ข้าวน้ําเป็นต้นเหลรอเนี้ยนะที่บอกว่าให้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่พักและเครื่องให้แสงสว่างเนี่ย ข้าวก็มาแยกออกเป็นหกใช่ไหมเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมน้ําก็มาแยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ธรรมอารมผ้าก็มาแยกเป็นหกสีเสียงกลิ่นรส แ, แล้วก็ธรรมอารมณ์มันก็แยกไปสิเทียนะยานะยานะเคยให้ทวท ว, วายทวายเลยยานาเนี่ยอะไรคิดได้น้อยจังคิดได้สูงกว่า น, นั้นหน่อยเดียวล่ม ตรงนี้ยนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่พักและคือแล้วก็ปฏะทีปปรทีรทรทรก็คือเครื่องให้แสงสว่างก็มาแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์สรุปจริงๆนะนี่ก็มีรูปไหมเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ก็คือถวายรูปปัทานางังสัทธาทานางังคันธาทานางังราษฎาทานางังโผฏฐพาัานานังธรรมะทานางังนี่ที่ถวายไป น, นี่ใช่ไหมแต่ถามว่า